Oh. เราบางครั้งเนี่ยเมื่อเกิดอารมณ์วุวามหุนหานพันแล่นเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะมันก็สามารถจะก่อความเสียหายได้มากมายบางทีก็ถึงกับอนาคตดับพูดเลยหรือไม่ฉนั้นก็ทำให้เกิดความสูญเสียนะ มากมายตามมาวัยรุ่นคนหนึ่งนะชื่อเล็กเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเ บ, บาแวงกับเพื่อนบ้านก็คงจะสะสมกันมานานนะพอถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดนะตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ําคืนนะพอทะเลาะเ บ, บาแวงกันนะก็ชกต่อยพอชกต่อยเข้า สุดท้ายก็ไปหาอาวุธมาคืนนั้นเนี่ยเขาก็ฆ่าคนไปสองคนนะเพื่อนบ้านตัวเองก็เลยต้องติดคุกติดตารางอายุยังไม่ถึง20เลยนะแค่ 16-17 เนี่ยติดคุกแต่ว่าเนื่องจากอายุยังไม่ถึง20นะก็เลยไม่ได้ติดคุกอย่างผู้ใหญ่ก็ไปอยู่สถานบําบัด ม, ม่สถาน ดัชนีสัยเนี่ยเาเรียกชื่อพราๆว่าบ้านเมตตาบ้างบ้านกรุณาบ้างคราวนี้เนี่ยคนที่ตายเนี่ยหนึ่งในสองเนี่ยก็เป็นพ่อของวัยรุ่นอีกคนหนึ่งนะชื่อใหญ่นีเน่เมื่อเสียพ่อก็เกิดความโกรธแค้นมากอาฆาพยาบาท คนที่ชื่อเล็กนะซึ่งเป็นฆาตกรก็คิดที่จะแก้แค้นแล้วก็มีคราวหนึ่งเนี่ยก็เกิดถูกจับได้ว่าไปลักขโมยก็เลยถูกส่งเข้าสถามนพินิษเหมือนกันของเยาวชนพ่ออายุยังไม่ถึง20 พอเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยแกก็ตั้งใจวนะ่าไมต้องตามล่าหาเล็กให้เจอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนส่วนเล็กเนี่ยนะหลังจากที่ไปอยู่บ้านเมตตากรุณาแล้วก็ถูกย้ายไปบ้านกาญจนาพิเศษนะอันนี้ดีหน่อยนะไม่ใช่เป็นสถานพินิษนะเพราะว่าเขามีวิธีการอบรมเด็กและเยาวชนนะที่ ให้เสรปภาพนะแล้วก็มีการอบรมที่ดีใหญ่ยยเนี่ยพอรู้ว่าเล็กเนี่ยซึ่งเป็นฆาตกรค่าพอองตัวเนี่ยไปอยู่บ้านการงานพิเศษนี่ก็ตั้งใจแล้วน่าจะตามไปที่นั่นแต่ว่าคนที่ไปบ้านการงนพิเศษได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีนะไม่มีปากเสียงกับผู้คุม ไม่ทะเลาะบบาแว่งกับเพื่อนที่ติดคุกด้วยกันด้วยความตั้งใจจะแก้แค้นนะตั้งใจจะแก้แค้นเล็กเนี่ยใหญ่ก็เลยพยายามประพฤติตัวให้ดีเพื่อได้มีสิทธิ์ย้ายไปบ้านกลายนายพิเศษและสุดท้ายก็สามารถจะย้ายไปบ้านกลายนายพิเศษได้สมใจนะ ก็เรียกว่าแผนการนี้ใกลยย้จะสำเร็จแล้วได้ไปที่คุมขังเดียวกันนะกับคนที่ฆ่าพ่อเล็กเนี่ยพอเจอใหญ่เนี่ยแกก็รู้นะว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ถูกที่ไปฆ่าพ่อเขาก็ไปขอโทษใหญ่นะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นความเรียก่อุบัติเหตุก็ได้ แต่ไม่สนใจนะไม่ตั้งใจได้ไงพ่อกูตายทั้งคนยังจะต้องหาทางแก้แค้นเล็กนี่ก็เสียวนะเพราะรู้ว่าใหญ่เนี่ยจะแก้แค้นให้ได้ก็ต้องระมัดระวังตัวส่วนใหญเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ต้องจะแก้แค้นตามที่ต้องการแล้วก็ต้องไปหาอาวุธ อย่างนอาก็ต้องมีเหล็กมีมีดก็ให้เพื่อนๆนที่ร่วมติดคุกด้วยกันเนี่ยช่วยหาแต่เพื่อนๆ น, นี่เขาก็รู้นะว่าทำอย่างน้ไม่ถูกนะมาอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจใหม่เขาก็เลยไม่ร่วมมือนะไม่ไปหาไม่หาเหล็กหาไม้หามีดนะให้กับใหญ่ใหญ่นี่ก็เลย ยังไม่สามารถที่จะล้างแค้นให้กับพ่อได้ไอ้ความตั้งใจของใหญ่เนี่ยที่ต้องการจะแก้แค้นนี่ก็เป็นที่รู้กันนะในหมู่เด็กที่บ้านไกลนายนพิเศษรวมทั้งผู้ที่ดูแลด้วยนะคือปนะ้ามนทิชาณ น, นครแล้วก็พยายามที่จะช่วยนะให้สองคนนี้คืนดีกันโดยพ่อใหญ่เนี่ย ถ้าเ้ารู้จักให้อภัยเล็กเนี่ยช่วยเากส็สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้ก็าบางเอิญ น, นะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทางบ้านการในพิเศษเนี่ยจัดจัดให้มีการมีประเพณีนะให้ให้อภัยกันเรียกว่าวันสันติภาพนะสบสิงหา ก็มีพิธีนะที่ชวนให้ผู้คนนี่คืนดีกันแล้วก็จะตเซอร์ไพรส์ใหญ่มากคือว่ามีย่าของใหญ่เนี่ยมาในงานด้วยรวมทั้งพ่อของเล็กด้วยแล้วก็มีการขอคํามาไนงะเล็กกับพ่อเนี่ยก็ขอขมาย่าของใหญ่ขอคํามาที่ มีส่วนทำให้ลูกของญ่านี่ตายย่าเนี่ยของเล็กเนี่ยก็ย้าของใหญ่นี่นะก็ให้อภัยนะก็บอกว่าเนี่ยเรื่องมันก็แล้วไปแล้วนะจะไปผูกใจเจ็บทำไมใหญ่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดได้คิดขึ้นมานะเนี่ยว่าขนาดย่าซึ่งเป็นแม่ของพ่อเนี่ย เลียงพ่อมาตั้งแต่เล็กเขายังให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อคนที่ฆ่าลูกของตัวได้และเราแล้ะนะน่าจะให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อของเราได้เหมือนกันแล้วคืนนั้นนะแกก็ไปบอกกับเล็กว่าเนี่ยฉันให้อภัยกันแล้วให้อภัยที่ฆ่าพ่อฉัน เราทั้งสองก็กอดกันใหญ่เลยนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยใหญ่ก็เขียนในสมุดบันทึกว่ามันโล่งอกมากเลยให้อาภัยแล้วจิตใจมันสบายมันหายรุ่มร้อนแล้วเขียนประโยชน์หนึ่งนะรู้งี้นี่ทาไปนานแล้วรู้งี้คืออะไรรู้งี้คือให้อาภัยไปนานแล้วไม่เก็บความแค้นเอาไว้เป็นปีปีนะ และสองคนนะตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิท ก, กันนะออกจากบ้านการใารพิเศษมาพ้นโทษเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันจากศัตรูนะก็กลายเป็นเพื่อนอันนี้เพราะเริ่มต้นจากการให้อภัยใหญ่ก็ให้อภัยเล็กเลกก็ขอโทษใหญ่มันก็นำไปสู่การคืนดีที่เคยเล่าไปแล้วนะว่า ขออะไรเนี่ยของ่ายนะแต่ขอที่ยากคือขอโทษให้อะไรเนี่ยก็อาจจะให้ได้ง่ายนะแต่ให้ที่ยากคือให้อภัยหลายคนคิดว่าเนี่ยการให้อภัยนี่มันทำได้ยากและไม่ควรทาเพราะว่าพ่อตายทั้งคนลูกตายทั้งคนแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกอะไรนะว่าโอ้มันคุ้มค่าหรือเปิน อย่างที่ใหญ่ก็เขียนเนี่ยลูกงี้เนี่ยทำไปนานแล้วคือให้อภัยอ่คนที่ฆ่าพ่อของตัวเองไปไปนานแล้วและการให้เนี่ยไม่มีอะไรที่ประเสริฐต่าการให้อภัยนะแล้วก็มันสามารถจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่คาไม่ถึงได้นี่พี่หญิงคนนึ่งนะเสียลูกนะอายุแค่ส4บส่เองนะลูกถูกฆ่าตาย ด้วยฆาตกรซึ่งอายุก็ใกล้ๆกันนะประมาณ1 5บ6เสียใจมากเลยนะพูดเป็นแม่เนี่ยและทุกครั้งเนี่ยที่มีการพิพากษาขึ้นศาลเนี่ยพิจารณาคดีฆาตกรที่ฆ่าหลวงตัวแกก็จะไปที่ศาลทุกครั้งเลยและไม่พูดอะไรเลยจนทั้งศาลตัดสินเสร็จตัดสินจำคุกเนี่ยวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยซึ่งอายุ ป, ประมาณ1 5บ6ปีเนี่ยติดคุก ประมาณหกปีปีนั้นเนี่ยพอฟังคําพิพากษาเสร็จก็เดินไปที่เด็กคนนั้นแล้วก็บอกเนี่ยพูดประโยคเดียวนะฉันจะฆ่าเธอและนับแต่นั้นมาเนี่ยเธอก็ไปเยี่ยมนักโทษคนนี้ทุกวันเลยทุกครั้งเลยเอาบุหรี่ไปให้บ้างเอาอาหารไปให้บ้างเอาของใช้ไปให้ทําอย่างนี้เนี่ย ต่อเนื่องสามปีจนกระทั่งเด็กเนี่ยพ้นโทษพอเด็กพ้นโทษก็ถามว่ามีงานทำไหมมีที่อยู่ไหมเด็กบอกไม่มีไม่มีงานทำไม่มีที่อยู่พี่คนั้นก็บอกวงั้นฉันจะหางานทำให้แล้วก็มาอยู่ที่บ้านฉันไอ้เด็กคนนั้นก็งงนะแต่ว่าไม่มีที่ไปเนี่ยพอไปอยู่บ้านของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแกก็ช่วยเหลืองานการดีนะ แล้วก็ไปทำงานป่าไป8เดือนนะพี่คนนั่นก็บอกขอคุยกับเด็กคนนี้หน่อยแล้วก็พูดขึ้นมาวันนียเธอจำได้ไหมว่าฉันพูดกับเธอว่ายังไงวันที่ศาลตัดสินเนี่ยฉันจะฆ่าเธอฉันไม่อยากให้คนที่ฆ่าลูกฉันนี่มีชีวิตอยู่ฉันอยากให้เขาตายจากไป พอเห็นหนั่นแหละนะฉันจึงไปเยี่ยมเธอทุกครั้งเอาอาหารไปให้แล้วก็าหางานให้ทําหาบ้านให้อยู่เด็กคนนั้นนี่เริ่มหนาวเลยนะว่าพี่คนนี้เนี่ยจะมีอุบายอะไรเสร็จ แ, แล้วพี่คนนั้นก็พูดต่อไปว่าเนี่ยทั้งหมดนี่เพราะฉันต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเธอตอนนี้เนี่ยลูกของฉันก็ตายไปแล้ว ส่วนฆาตกรที่ฆ่าลูกฉันมันก็หายไปแล้วเธอกลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่ฆาตกรคนเดิมทีนี้ฉันก็อยากจะถามเธอว่าถ้าเธออยากจะเป็นลูกฉันเนี่ยเธอจะรับได้ไหมวันนั้นยินดีเลยนะบอกดินดีที่เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นว่าเนี่ย พี่คนนั้นเนี่ยแม่จะเสียลูกไปแต่ก็ได้ลูกคนใหม่มาแล้วก็กลายเป็นแม่ลูกที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนเรียกว่าการให้อภัยเนี่ยนะมันเปลี่ยนทั้งตัวผู้สูญเสียคือแม่ของเด็กแล้วก็เปลี่ยนคนที่เป็นฆาตรกรได้การให้อภัยนี่มันจึงเป็น คุณธรรมที่สำคัญมากนะที่คนมักจะมองข้ามแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ถูกกระทำผู้สูญเสียและผู้กระทำได้